วันนี้เป็นวันเกือบจะสิ้นปีวันที่31อวันพุ่งนี้เป็นวันปีใหม่กนัฐธาญาจโยมลูกหลานและก็พร้อมกันปีใหม่ก็ให้ครูบาทั้งหลายบอกพี่น้องชาวบ้านที่พวกรอไปบินเทบาทวันพุ่งนี้รับบินเท่าบาทในวัดเนอะปีใหม่นะตักบาทรอบสาลา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 ถ้าพวกเราได้อ่านได้ศึกษาเข้าใจแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตลอดตู่นน่ะช่วชีวิตของพวกเราเลยถ้าพวกเราใยในการศึกษานะ เ, าเว้นเสียแต่พวกเราไม่ไยในการศึกษาเรียนรู้ก็อย่างว่าเหมือนกันนะเห็นอะไรขึ้นมาก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนเก่านั่นแหละนะเพราะเห็นไเพราะเราไม่ได้ใช้สติปัญญานะ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 อยากจะให้พวกเราทั้งหลายปิดงบนะปิดงบชีวิตตัวปิดปิดงบาการเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปปิดงบตั้งแต่ธรรมมาค้าขายอย่างเดียวาการธรรมมาค้าขายนะเป็นการปิดงบให้กับร่างกายการธรรมมาหาเลี้ยงชีพคือการหาเงินปิดงบให้กับร่างกายแต่ปิดงบชีวิตที่การคบทวเนีนะ่ยเป็นการปิดงบให้ทางด้านจิตใจ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 อ น, นี้ก็พารถหมดรถยนต์ไปชนแล้วกันเนะโอ้พ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงพามาเห็นลุงพ่อเห็นแล้วโอ้น่าสล ด, ดใจเอตาก็บอดทั้งสองข้างอีกต่างหากเอตายก็ไม่ตายแล้วจะทำยังไงจะเลี้ยงไปกันไปถึงไหนอีกท่นี่แหละสรุปแล้วก็คืออยากจะให้พวกลูกหลานคณะสัตายาญาตโยมทุกๆุกคนให้วางชีวิตของพวกเราคิด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 บุกกลหัวหลักหัวต่อของไร่ของนาแต่คนโบราณที่ก่อนที่เขาจะได้ไร่ได้นาเป็นพื้นท้องไรท่ท้องนา น, นี่ยนะไม่ใช่ธรรมดานะีอ่อเขาจะต้องทำ อ, อะไรต่อไม่อะไรหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก่อนที่จะได้แผ่นดินทรมาหาเลี้ยงชีพแต่พวกเราลูกหลานของเราเนะี่ย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 พวกเราก็ควรจะทำบุญุทิศสวนกุศลให้ท่านดวงวิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ที่มีพระคุณสำหรับเราตกอยู่ในสถานที่ใดหักตาท่าเขวันท่านทั้งหลายเหล่านั้นตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์แต่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผูที่อยู่ต่าง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 พวกเรามาทำบุญกับอุทิศส่วนกุศลเออข้าพเจ้ามาทำบุญในคราวนี้วันนี้ในพระสงฆ์ขออุทิศ ส, ส่วนกุศลป่อต่อผู้มีอุปกรณ์ของข้าพเจ้าดวงวิญญาณท่านตกทุกข์ได้ยากอยู่อย่างไร ก, ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วนะก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปนะอันนี้คือ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 จุดนี่หละสาคัญนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอกนะีกอันนี้พวกเราต้องศึกษานี่จุดนี้แนหะอพอพูดถึงจุดนี้พวกเราก็บางคนก็ตะคิดตะขวางในจิตในใจว่าเอาทำคำไหนมาพูดตายแล้วไม่เห็นมาบอกมาก่าวแต่แต่ใช่ไม่บอกมาก่าวจริงแต่ว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์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 ต้องเปลี่ยนขันใหม่พอกีเปลี่ยนขั้นใหม่ขึ้นมาก็เอา้าขั้นใหม่ก็ใช้ไปอีกนี่ก็เหมือนกันนั่นแหละไอพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาเกิดขึ้นมาแล้วก็ใช้รถคันนี้นะคือร่างกายของเราคือรถคันนี้แหละแต่รถคันนี้รู้สึกว่าใจใช้นานนะลูกหลานนะไอบางคนก็ใช้ไม่กี่เท่าไหร่ก็ไปละหมดสภาพตายแต่บางคนก็ใช้ถึงแปดสิบเก้าสร้อยกว่าปีเออแต่ทึงใ่ก็เถอะ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 เอ่อหรือสถานที่ต่างๆสถานที่ศึกษาพุทธศาสนาก็เป็นแขนงหนึ่งเอ่อที่พวกเราจะต้องศึกษาเหมือนกันนะถ้าพวกเราศึกษาเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะน่แหละปีนี้ก็เป็นวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีเอ่อวันพุงน่งก็เป็นวันปีใหม่พุทธาหลวงพ่อเองขออานวยอวยพรเอ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาของพวกคณะทาญาทโยมลูกหลานทุกคน